ใ น, นจะพูดธรรมะขอให้ท่านจรงตั้งอยู่ในความสงบมีสติจดจ่อจ อ, อยู่กับการฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูโดยที่ไม่ต้องส่งจิตใจออกมาให้ตั้ง รับรู้ไว้เพียงอย่างเดียวการงทงธรรมนี้มีอันนิสองอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจ ที่ดีขึ้นสาจะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้สี่ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิห้าทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุกอันนี้สองข้อแรกนี้ เป็นอนิสงส์ที่สังคัญอย่างมากคือเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินมาก่อนนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็คือสัพเพธรมมานัตตาคือ ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราเป็นตัวเราอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้เรื่องสัพเพธรมาอนุต t เหมือนกับสมัยนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่เรา ได้ยินได้ฟังทมเราก็ยังคิดว่าเราคือร่างกายนี้เป็นตัวเราอยู่และของต่างๆที่เราได้มาเป็นของเราทั้งนั้นแต่ความจริงเป็นของเราเพียงชั่วข่าว คือไม่ได้เป็นของเราอย่างท้าวรนไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆที่เราได้มารวมทั้งร่างกายของเราก็จะต้องหมดสภาพไปสูญหายไปนี่คือความจริงที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรง รู้ได้ด้วยตัวเองและเป็นความจริงที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการกำจัดความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปได้เพราะถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เรากลับไปเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะมีปัญหาความอยากให้ของที่เป็นของเราเป็นตัวเรานี้ดีไปอยู่เรื่อยๆและอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากกัน พอเราเกิดตั้หาความอยากขึ้นมาก็ทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นบัวทำให้ใจของเรามีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ใจทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะไม่เห็นว่าสัพเพธรรมาอนัตตานั่นเองคือไม่เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมานอกจากบุญจากบาที่เราได้ทําไว้ในอดีตคือเอาบารมีหรือเอากำติดตัวมา บารมีก็เป็นผลของบุญของการทำความดีกรรมก็เป็นผลของการทำบาปติดตัวมาพอเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ได้ร่างกายที่เป็นของพ่อของแม่สร้างขึ้นมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ผานทางอาหารอาหารทุกชนิดทุกรูปแบบก็ต้องมีดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุวัตถุดิบเหมือนกับโรงงานที่ผลิตสินค้าต่างๆต้องมีวัตถุดิบฉันใดอาหารก็ต้องมีวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือท่าทั้งสี่นี้ ดินน้ำลมไฟเช่นข้าวนี้ก็ต้องมีดินมีน้ำมีลมคืออากาศมีไฟคือความร้อนของแสงแสงอาทิตย์ที่จะทำให้เกิดการเจริญ ง, งอกหามเติบโตขึ้นมาเป็นเมล็ดข้าวได้แล้วพอเราเอาเมล็ดข้าวมาผงต้มเราก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟ อเมล็ดข้าวสุกเราก็รับประทานเข้าไปในร่างกายเมล็ดข้านี้ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นชิ้นส่วนต่างๆส่วนประกอบต่างๆของร่างกายไปเป็นผมบ้างไปเป็นขนบ้างไปเป็นเล็บบ้างไปเป็นฟันไปเป็นหนงังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูก เป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นตับเป็นปอดเป็นไตเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารเก่าอาหารใหม่เยื่อในสมองศรีรษะส่วนของเหลวที่เรารับประทานหรือดื่มเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสเลงน้ำเหลืองน้ำเหนือ น้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อและน้ำมูดนี่คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายพร้อมกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆของเหลวชนิดต่างๆ <c oughs> เมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะได้รับการแปลสภาพ ร่างกายนี้จึงเป็นเหมือนโรงงานผลิตสินค้าสินค้าที่ร่างกายนี้ผลิตก็คืออาการ32นี่เองเช่นผมผมก็จะยาวออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็ตัดมันทิ้งไปหรือเอาไปขายก็ได้ก็เป็นเหมือนสินค้าเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนนี้กัน แล้ของที่เราขับถ่ายออกมาก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำปุ๋ยได้อย่างประเทศจีนสมัยก่อนเขาให้เอาอุจาระนี้ไปทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้เพราะสมัยก่อนเขายากจนเราไม่มีความสามารถที่จะผลิตปุ๋ยได้ เขาก็เลยใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็คืออจาระที่เป็นอาหารเก่านี่เองเป็นเป็นส่วนที่ร่างกายขับถ่ายออกมาก็สามารถเอาไปใส่ตามต้นไม้เป็นอาหารของต้นไม้เป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำของต้นไม้ แล้วก็กลายเป็นผลไม้กลายเป็นข้าวมเมล็ดข้าวออกมาแล้วก็วนกลับเข้ามาในร่างกายใหม่นี่คือการหมุนเวียนของธาตุทั้งสี่คือดินน้าลมไฟที่เรารู้กันว่ามันไม่ใช่ตัวตนเรารู้ว่าธาตุน้ำนี้ไม่ใช่ตัวตนธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ นี้ไม่ใช่ตัวตนแต่พอเข้ามาอยู่ในร่างกายมาเปลี่ยนเป็นอาการสามสิบสองเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาต่อเราก็เลยไปถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็มีความรักความหวงเราก็มีความอยากให้ร่างกายของเราดีไปนานๆดีไปตลอดไม่ไม่เสื่อมไม่สลายไม่หมดไปแต่พอเราเห็นร่างกายของคนอื่นเขาเสื่อมเขาสลายหมดไปพอเราคิดถึงร่างกายของเรา เราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะมันขัดกับความอยากของเราที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีคนสอนตั้งแต่วันที่เราเกิดสอนควบคู่ไปกับเรื่องอย่างอื่นที่พ่อแม่สอน พ่อแม่สอนเรื่องภาษาเรื่องอยู่เรื่องรับประทานเรื่องขับถ่ายแต่พ่อแม่ลืมสอนไปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อไม่มีใครสอนและทุกคนคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เลยคิดตามเขาไปว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกาย ด้วยความหลงด้วยความอยากหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเป็นของเป็นของเราเป็นตัวเราก็อยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้จากเราไปไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้สูญเสียไปเช่นเดียวกับของที่เราได้ผ่านทางร่างกาย พอเราโตขึ้นแล้วเราก็ได้สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้แต่ของที่ไม่มีค่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราก็รักเราก็หวงเราก็ทุกข์กับของเล็กๆน้อยๆเช่นตุ๊กตาของเล่นอะไรต่างๆพอเราได้มาความหลงของเราก็จะบอกว่านี่เป็นของเราแล้วเวลาที่มันหายไปเราก็ร้องห่มร้องไห้ นี่เป็นเพราะว่าไม่มีใครสอนว่าสัพเทธรรมาอนัตตาไม่มีใครบอกว่าของต่างๆนี่สักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดพากจากกันไปถ้าเรามีคนสอนมีคนบอกเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจะไม่มีความอยากให้เขา อยู่กับเราไปตลอดเราจะเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของใครเข้ามาเรารู้ว่าเราต้องคืนเขาไปเราก็ไม่เสียใจเวลาที่เราต้องคืนเขาไปเช่นเวลาเราไปเช่ารถยนต์พอพอหมดสัญญาเช่าเราก็คืนรถไป หรือเราไปภาพตามโรงแรงเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นบ้านของเราเป็นบ้านชั่วคราวพอถึงเวลาเราก็คืนเขาไปนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรารู้ความจริงตั้งแต่เริ่มแรกว่าสัพเพธรรมานุตา คือไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนี่แหละเป็นกุญแจอดอกสำคัญที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราหมดไปเพราะเราจะไม่มีความผูกพันไม่มีความรักความหวงกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราสังเกต ด, ดูเราจะเห็นว่า ของอันใดที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นของเราเราจะไม่ทุกข์กับเขาเลยเวลาเขาเป็นอะไรไปเวลาเขาเสื่อมไปเวลาเขาเสียไปเวลาเขาหมดไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยคนที่เราไม่รู้จักเวลาเขาตายไปเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรารู้จักที่เราไปคิดว่าเป็นอะไรกับเรา เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเราอย่างนี้เป็นเพื่อนเราพอเราไปคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นของเราแล้วเราก็อยากจะไม่ให้เขาจากเราไปแต่ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พวกเราก็คงจะเห็นกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเสื่อมหมดไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่แหละคือความจริงที่จะทำให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความอยากในสิ่งต่างๆได้ทำให้เรา ไม่มีความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ความรู้นี้จะต้องเป็นความรู้ที่ปัจจุบันทำด่วนคือต้องรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่รู้แต่เฉพาะตอนที่เราได้ยินได้ฟังทมในตอนนี้พอเราออกจากที่นี่ไปเราก็ไม่ได้คิดถึงมันอีกต่อไป ความรู้อันนี้ก็กลายเป็นความจำไม่ได้เป็นความจริงปัจจุบันทันด่วนเราก็เลยไม่สามารถที่จะต้านความหลงต้านความอยากได้ที่ทำงานอยู่ปัจจุบันอยู่ในทุกขณะดัะงนั้นเราจึงต้องมาสร้างความรู้นี้ให้เป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันด่วน คือให้ทันกับโมหะความหลงที่ไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราเป็นตัวเราเราต้องคิดตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ว่าเราจะเห็นรูปได้ยินเสียงได้โดมกลิ่นลิ้มรสเรื่อได้สัมผั ส, ผสพุทพะผ่านทางร่างกายเราต้องคำนึงเสมอว่า มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นของชั่วคราวเห็นหน้าตาเห็นใครก็ต้องคิดเสมอว่าเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราถ้าเป็นก็เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวเช่นเป็นสามีเป็นภรรยาชั่วคราวเป็นบุตรเป็นทิดาชั่วคราวเป็นทรัพย์สมบัติชั่วคราวเป็นยศถาบรรดาศักด์ เป็นตำแหน่งอะไรต่างๆก็เป็นชั่วคราวลางวี่รางวันที่ได้มาก็เป็นของชั่วคราวคำสรรเสริญเยนยอยกย่องก็เป็นคำเป็นของชั่วคราวให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพราะว่าเวลาใดที่เราไม่คิดอย่างนี้เวลานั้นความหลงก็จะกลับมาทาหน้าที่แทนทันที จะมาคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราไปนานๆาให้เป็นดีๆไปนานๆไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียไม่ให้หมดไปนี่แหละคือการพิจารณาทางปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิเวลาที่อยู่ในสมาธินี้เป็นเวลาที่ไม่ต้องพิจารณาทางปัญญา เราเป็นเวลาที่เราจะพักความคิดไว้ความคิดนี่ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่หลังจากที่เราใช้มันเป็นระยะเวลานานพอสมควรเราก็ต้องหยุดรถต้องพักให้รถได้พักถ้าไม่ได้พักปล่อยให้มันวิ่งไปตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ต้องพัง ใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันคิดไปตลอดเวลาใจของเราก็จะเหนื่อยจะอ่อนเพลียจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงส่วนใหญ่เราไม่ได้พักในสมาธิกันเพราะเราไม่รู้จักทําสมาธิเราก็พักด้วยการพักร่างกายเวลานอนหลับไปใจก็ได้พักไปชั่วข่าวด้วย ไม่ต้องมาคอยควบคุมบังคับสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ถึงขนาดนั้นเวลาหลับใจก็ยังทำงานต่อด้วยการฝันการฝันนี่ก็เป็นการทำงานของใจแต่ถ้าเรารู้จักวิธีเจริญสติสามารถควบคุมความคิดไม่คิดได้เราก็จะหยุดความคิดกลุมแต่ง ได้พอหยุดได้แล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่นานเราจะได้สัมผัสกันถ้าเราทําสมาธิได้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขอันนี้แหละที่ทําให้เรา สามารถปล่อยวางความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขันนี้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นของเราเจะต้องจากเราไปสักวันเนี่ยเราก็ปล่อยวางเขาไม่ได้เพราะเรา ไม่มีความสุขเวลาเราไม่มีขเขาเพีอ่าเียแต่พอเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากความสงบของใจเราก็จะปล่อยวางความสุขอย่างอื่นได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเราได้เพราะเราไม่ต้องใช้เขาให้ความสุขกับเราอีกแล้วเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่า พอเราได้ความรู้ว่าเขาต้องจากเราไปเขาไม่ใช่เปนของเราเราก็พร้อมที่จะให้เขาจากไปเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปเราไม่เดือดร้อนแล้วเพราะเรามีความสุขทดแทนแล้วความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ดีกว่าจากการมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดา มีลูกเสียงกลิ่นรดผดทพะชนิดต่างๆมาให้เราเสกมาให้เราสัมผัสให้เรามีความสุขเล็กๆมน้อยอเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้จากการทำใจให้สงบเราก็จะสามารถทำตามความจริงได้ก็เกอ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปมีความผูกพันไม่มีความรักความหวงกับสิ่งต่างๆได้เพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถึงแม้เราจะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ไม่ควรยึดติดไม่ควรรักไม่ควรหวงไม่ควรห่วงเราก็ละอดที่จะรักที่จะหวงที่จะห่วงไม่ได้เพราะเรายังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่พอเราได้ความสุขที่ดีกว่าคือได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็สามารถที่จะ ปล่อยวางตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเมื่อเขาไม่ใช่เป็นของเราเราจะไปแบกเขาไว้ทำไมเราจะไปยื้เขาไว้ทำไมเพราะการไปแบกไปยื้เขาไว้เท่ากับสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไปเปล่าๆนั่นเองแต่ถ้าไม่มีความสงบนี้เราปล่อยไม่ได้ถึงแม้จะทุกข์ขนาดไหนเราก็ยอมทุกข์ เพราะเราไม่มีกำลังที่จะต้านความอยากต้านอุปทานความรักความห่วงในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองดังนั้นการที่เราจะใช้ความรู้อันนี้คือสัพเพธรมานตตาให้จิตให้ใจเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เราจึงต้องสร้าง ความสงบขึ้นมาก่อนสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆพอเราได้ความสงบได้ความสุกกันนี้แล้วพอเราใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางใจก็จะปล่อยวาง ท, างทันทีเพราะจะเห็นโทษของการรักเห็นโทษของความหวง เป็นโทษของความอยากว่ามันสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งสิ่งต่างๆให้อยู่กับเราได้อยู่ดีเพราะว่าเขาอยู่เหนืออำนาจของเราเขาจะเกิดเขาจะดับนี้เขาไม่ฟังเราเช่นฝนตัวนี้เขาไม่ฟังเรา ฝนจะตกเมื่อไหร่เวลาใดเขาไม่ฟังเราเขาไม่สนใจว่าตอนนี้วันนี้เวลาสองโมงจะมีการประชุมกันเขาอยากจะตกเขามีเหตุที่ทำให้เขาตกเขาก็ตกลงไปจันใดของต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราก็เป็นหมอนฝนดีๆนี่เงที่เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจึงต้องเข้าใจความจริงอันนี้และอยู่บนความจริงอันนี้อย่าไปอยู่บนความหลงอย่าไปอยู่บนความอยากเพราะจะทำให้เราทุกข์ไปบบเปล่าๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรของทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอ ย, อย่างที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ เขาจะเกิดเขาก็เกิดเขาจะดับเขาก็ดับความหลงของเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไปเป่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรามีความจริงมีความรู้อันนี้ประกอบกับมีความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในใจเราก็จะปล่อย ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปาตามสภาพของเขาได้ปล่อยให้เป็นไปาตามความเป็นจริงสิ่งใดจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปห้ามเขาไม่ได้สิ่งใดจะดับก็ปล่อยเขาดับไปห้ามเขาไม่ได้เช่นเดียวกันเช่นเวลาเราจะความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นมาในร่างกายเราก็ห้ามเขาไม่ให้เกิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้าเกิดไป เวลาร่างกายนี้จะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาตายไปแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่ใช่ของเราเขาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราจะไปหวันไว้กับอะไรไปทาไมนี่ละคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจและสามารถมองให้เห็นได้ แยกแยะออกกันให้เป็นคนละสัดคนละส่วนกันให้ได้ให้เห็นว่าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆร่างกายเขาเป็นดินน้ําลมไฟเขาจะกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟภายในอนาคตที่จะตเช่นนี้ไปที่วัดได้ไปดูคนที่เขาตายแล้วดูว่า ร่างกายของเขานี่กลายเป็นอะไรไปก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกที่จะกลายเป็นดินต่อไปนี่แหละคือร่างกายส่วนผู้รู้นี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ถ้ายังมีความหลงมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อมาทุกใหม่ แต่ถ้าเข็ดถ้ารู้ว่าไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้มีความสุขมากกว่าการมีร่างกายที่ ก, ก็จะไม่ไปมีร่างกายใหม่นี่คือพระพุทธเจ้าพระอรหานท่านรู้อย่างนี้ท่านรู้ว่าตัวของท่านอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้รู้อยู่ที่ผู้คิดผู้สั่งการต่าง ตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปแต่ตัวนี้ถ้ายังมีความหลงยังไม่เห็นสัพเพานาตายอยู่ก็จะมีความอยากที่จะมีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้หาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปเพราะไม่เคยสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ดังนั้นการที่เราจะใช้ปัญญาในการปล่อยวางร่างกายและปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ได้นี้เราจําเป็นจะต้องมีความสุขภายในใจต่อต้องมีสมาธิมีความสงบ พ, พอเรามีสมาธิมีความสงบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น เราต้องทำสมาธิบ่อยๆออกจากสมาธิมาก็ต้องรักษาสมาธิไว้ด้วยการเจริญสติหรือด้วยการใช้ปัญญาคอยคอยกำจัดตัณหาความอยากคอยกำจัดความหลงที่จะมาทำลายความสงบทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ในเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิ ถ้าเราใช้สติมันก็ยังเป็นการรักษาเป็นการชั่วกว <c oughs> เวลาใดที่เราเผลอไม่มีสติเวลาเกิดตัญหาขึ้นมาก็จะทำให้ความสุขความสงบนั้นหายไปได้แต่ถ้าเรามีปัญญาใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดตันหาเกิดความอยากเกิดความหลงขึ้นมา ก็ใช้ปัญญามาแก้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ใช้สัพเพ ธ, ธรรมาอนัตตาเข้ามาแก้ทันทีแ้วเราก็จะกำจัดความหลงกาจัดความอยากที่เกิดจากความหลงได้พอความอยากถูกลั ง, งับไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขภายในใจก็จะกลับคืนมา ดังนั้นในเบื้องต้นนี้สิ่งที่เราต้องทาให้มากก็คือทาใจให้สงบให้ได้ด้วยการเจริญสติให้มากเพราะสตินี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบนั้นเองและเวลาออกจากความสงบมา ก, ก็ใช้สตินี้รักษาต่อไปจนกว่าจะกลับเข้าไปนั่งในสมาธิใหม่ จนเรามีความชำนาญในสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ยังรักษาความสงบไว้ได้เวลาเข้าไปในสมาธิก็เข้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอย่างนี้เรียกว่ามีความชำนาญในเรื่องของสมาธิสามารถมีสมาธิได้ทั้งวันทั้งในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมา ก็มีสติคอยคอยรักษาความสงบอย่างต่อเนื่องพอเรามีสติระดับนี้แล้วเราก็ควรจะออกทางปัญญาได้ควรจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเกิดมีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆเพราะมันขัดกับความความเป็นจริงนั่นเองเราก็จะสามารถอยู่กับความเป็นจริงได้อะไรจะจากเราไปเราก็รับได้อะไรที่เราไม่ชอบจะโผล่ขึ้นมาเราก็รับได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เรารับมันได้ ฝนจะตกเวลาไหนเราก็รับมันได้น้ําจะท่วมเราก็รับมันได้พราะเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เรามีความช่ำชองในการเจริญสมาธิแล้วสามารถมีความสงบได้อย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาที่อยู่ในสมาธิและเวลาออกมาจากสมาธิ คือมีสติประครับประคองรักษาความสงบต่อไปเราก็ใช้เวลาที่ออกจากสมาธินี้มาเจริญปัญญาได้มาพิจารณาสัพเพธรรมาอนัตตาได้มาพิจารณ า, ราอนิจจ์ได้มาพิจารณ า, า, า, าความจริงที่เรายังไม่เห็นเช่นอสุภะได้อสุภะทําไมเราต้องพิจารณา ก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่จะมาทำลายความหลงของเราในเรื่องของการรักของสวยของงามนั่นเองพอเราเห็นอสุภะเห็นของไม่สวยไม่งามในในในสิ่งที่สวยที่งามเราก็จะได้ไม่ไปหลงไปรักในสิ่งนั้นอีกต่อไปเช่นร่างกายของคนเนี่ย เรามักจะเห็นแต่ส่วนที่สวยที่งามที่น่าดูก็เลยทำให้เราเกิดความหลงรักขึ้นมาเวลาเกิดความรักก็เกิดความอยากเกิดตัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความรักของสวยของงามเราก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งามใช่ร่างกายนี้มันสวยงามอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่า มันไม่แก่บ้างหรืออย่างไรมันไม่ตายบ้างหรือลังหรืออย่างไรหรือเวลาที่มันไม่ได้เสริมสวยเสริมความงามนี้มันเป็นอย่างไรหรือเวลาที่เรามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังแล้วมันเป็นอย่างไรให้ดูส่วนต่างๆให้ครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายมีถึงสาสิบสองอาการด้วยกันแต่เราเพียงจะมองเพียง ห้าอาการเท่านั้นคือเห็นแต่ผมขนและฟันหนังเท่านั้นเองแล้วเราก็หลงติดอยู่กับห้าอาการนี้ข้านใคร้กินไม่ได้นอนไม่หลับกับผมขนและฟันหนังนีเง่เวลาไม่เห็นผมขนและฟันหนังที่เราชอบนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยนีตกกังวลไปต่างๆนาน า, นากินไม่ได้นอนไม่หลับ มีความรู้สึกว่าเวเศร้าสร้อยน้อยเหงกับอาการทั้งห้านี้ท่านเองเป็นบ้าไปกับผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้เป็นบ้ากับอะไรแต่หลงหลายครั้งคล้ายจะกระทั่ ง, ง, งกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีถึงกับต้องออกรบทําสงฆ์ขามก็เพราะไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นนี่หนังหนังนี่ นี่เป็นเพราะว่าไม่เจริญอสุษพะไม่พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วใครจะไปบ้าไปทำสงขารทำไมเพื่ออาการที่ไม่สวยไม่งามแต่เพราะไม่มองเข้าไปข้างในมองอยู่แต่ข้างนอกนั่นเองจึงทำให้เกิดการประหัสประหารกัน ที่ฆ่ากันนี้ถ้าเป็นถ้าตายก็เพื่ออาการถ้าอาการนี้เองถ้าเพื่อผมขนเล็ดฟันหนังนี่เองไม่ได้ค่าเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ใช้ปัญญาไม่รู้จักใช้ปัญญากันไม่มีใครสอนกันที่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดกันเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายนี่ก็เพราะว่า ไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้อย่างละเอียดถีทั้วนั่นเองหลงหลทั้งคายากับห้าอาการนี้พอเสียร่างกายเสียห้าอาการนี้ไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนเช่นถ้าสามีภรรยาหรือคู่ครองตายไปก็ต้องหาคนใหม่มาทดแทน แล้พอร่างกายของตนตายไปก็ต้องไปหาร่างกายของตนมาทดแทนเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสกความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยต้องวนเวียนไา้ตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าพิจารณาเห็นอสุภะตลอดเวลาความรักความไข่มันก็จะถูกทาลายไปความอยากมีคู่ครองมันก็จะหมดไป ความอยากจะเสพสุขผ่านทางร่างกายมันก็จะหมดไปมันก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วคาว่าได้สมาธิหมายถึงหมายถึงมีสมาธิมีความสงบตลอดเวลาต่อเนื่องไม่ใช่ ได้สมาธิหนเดียวแล้วก็บอกว่าได้แล้วเช่นเรานั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นครั้งแรกแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้เราได้สมาธิแล้วแล้วเราก็จะออกพิจารณาทางปัญญาอันนี้ยังไม่มีกาลังพอพิจารณาได้เดี๋ยวเดียวก็หมดกำลังเดี๋ยวความคิดในทางปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาหลอกให้คิดแล้วก็ทำให้เกิดตัญหาความอยากขึ้นมา ดังนั้นเราต้องจเจริญสติให้ช่ำชองให้มีสติอยู่อย่างตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นแล้วเราจะสามารถสั่งให้ใจเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและเวลาออกจากสมาธิมาก็สามารถประคับประคองรักษาความสงบไว้ได้อย่างต่อเ น, นื่องจนเราสามารถออกทางปัญญาได้ เราก็พิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาอสุภะในร่างกายของมนุษย์ของเราและของผู้อื่นเพื่อจะได้คลายความข้างคลาความหลงไหลในความความรักสวยรักกามเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความรักความไข่กับร่างกายของไข่ ทังนั้นไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของผู้อื่นเราจะได้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายอยู่แบบคนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีเพื่อนมีเพื่อนมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมมันได้ทั้งความสุขและได้ทั้งความทุกข์ได้ความสุขแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาทุกข์พอรักทุกข์พอห่หวง ทุกเพราะหว่วงทุกเพราะเวลาเขาจากเ้าไปแต่ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องเราก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้เราจะอยู่คนเดียวได้เราก็ต้องมีความสงบมีความสงบแล้วก็มีปัญญาที่จะคอยทาลายความอยากที่จะเกิดขึ้นมา ถ้าเรามีอสุภะกรรมฐานเห็นอสุขะอยู่ตลอดเวลาเราก็จะดับกา ม, า, มการมณ์ได้กามราคะได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เศร้าซ้อยงอยเหงาไม่ว้าเหวนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกัน เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ได้ยินจากที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้และไม่มีใครสนใจที่จะเอามาเผยแผ่เอามาพูดมาคุยกันดูหนังสือต่างๆหนังสือที่ขายตามแผงมีแต่ขายแต่ของสวยๆเงามๆทั้งนั้นไม่มีใครถ่ายภาพอสุภาพมาขายกันน่าจะทำตลาดได้นะเพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีใคร ทำกันอาจจะเป็นแหวกแนตาวตลาดออกมาทำหนังสืออสุภาพมาจําหน่ายอาจจะขายดิบขายดีก็ได้แต่ไม่มีใครคิดจะทํากันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นธรรมะนั่นเองโลกกับธรรมะจึงไม่ได้อยู่ด้วยกันโลกครั้งก็จะอยู่กับเรื่องของโลกอยู่กับเรื่องของสวยๆงามงาน อยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่กับการหาความสุขผ่านตาหูจมูกริ้นกายอยู่กับการแก่งแย่งอำนาจแก่งแย่งตำแหน่งเขาอยู่กันแบบนั้นเขาจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวเหล่านั้นเขาจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องของอสุภะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของ อนิจจามรณานุสติไม่ได้ฟังเรื่องสพเพธมาอนัตตากันเท่าไหร่พอไม่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยไม่สามารถกำจัดความหลงได้ไม่สามารถกำจัดความอยากได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ใจของเขาก็วุ่นวายทุกไปกับความกับสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่ ที่เขาได้มาเพราะสิ่งต่างๆที่เขาได้มานี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ดับความอยากภายในใจของเขาได้แต่กลับทำให้เกิดความอยากเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือโทษของการไม่ฟังให้ฟังธรรมก็คือจะไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว เมื่อฟังซ้ำอีกก็จะก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์อันนี้ก็จะสงสัยไปเรื่อยๆว่านารกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าทําทางไปแล้วจะไปสวรรค์หรือเปล่าทําบาปไปแล้วจะไปตกนรกหรือเปล่าอันนี้เขาก็จะไม่มีวันรู้ได้ไม่สามารถกําจัดความสงสัยอันนี้ได้ไม่สามารถมีสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้ ว่าสัพเพธมาอนัตตาของทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่สามารถสัมผัสกับจิตที่ผ่องใสได้จิตที่มีความสุขที่เกิดจากความสงกได้นี่คือโทษของการไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็คือไม่ได้รับอนิสงฆ์ข้าพการของของการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองส่วนผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย ก็จะได้รับอนิสงฆ์ทั้งห้าประการนี้ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงแต่ถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ไม่ได้เหมือนกันฟังอย่างไรที่เรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ฟังแบบใจลอยไปไม่ได้ฟังไม่ได้ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้เลยว่ากำลังพูดเรื่องอะไรใจมัวแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารเย็นที่ไหนดี เดี๋ยวจะไปทําอะไรดีเลยไปคิดกับเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่เข้าใจเลยว่ากําลังฟังอะไรอยู่ฟังแบบนี้ก็จะไม่ได้รับอ น, นิสงส์เพราเป็นเหมือนเหมือนทัพพีในหม้ อ, อกแกงนั้นเองทับพีจะอยู่ในหม้ อ, อกแกงงานขนาดไหนก็จะไม่รับรู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนกับลิ้นที่สัมผัสกับ แกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้เลยว่าเป็นแกงชนิดไหนอร่อยเมื่อหรือไม่อร่อยอยัในใดการฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะให้ได้อนิสงฆ์ทั้งห้าประกาศนี้ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั้นเองกายก็ไม่ต้องทำอะไรต้องนั่งเฉยๆวาจาก็ไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้ตั้งจิตตั้งใจฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็รับรู้ที่ใจถ้าใจพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้าใจเกิดสัมมาทิฐิกําจับความสงสัยให้หมดไปได้ถ้ายังไม่สามารถพิจารณาตามได้แต่ใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจ ก็จะได้จิตใจที่สงบผ่องใสได้สองแบบได้แบบสมาธิหรือได้แบบปัญญาถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาได้สมมาทิฏฐิกำจัดความสงสัยได้ทำให้จิตผ่องใสได้ถ้าฟังแบบไม่เข้าใจแบบพิจารณาตามไม่ได้แต่ก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจเกาะติดอยู่กับเสียงที่มาสัมผัส กับหูและรับรู้ที่ใจเสียงที่มาสัมผัสรับรู้ที่ใจนี้ก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิทำให้ใจผ่องใสมีความสุขได้นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของอนิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมที่เราจะได้รับโดยเฉพาะเรื่องสัพเพธธมานตานี้ไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ ที่จะสอนแบบนี้พราไม่มีใครรู้ความจริงแบบนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้สมงเห็นการได้ฟังความรู้อันนี้จะเป็นกุญแจที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานได้ จึงขอให้ท่านจงพยายามมีความผูกพันต่อการฟังเพลงฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอฟังอยู่เรื่อยๆทุกเวลาทุกโอกาสที่มีเวลาแล้วฟังแล้วก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ได้รับประโยชน์เพียงครึ่งเดียวได้รับประโยชน์ในขณะที่ฟังแต่พอ เวลาผ่านไปแล้วประโยชน์ที่ได้รักก็จางหายไปได้แต่ถ้าําเอาไปปฏิบัติก็จะรักษาประโยชน์ที่ได้รักจากการได้ยินได้ฟังไห้ได้ต่อไปจนสามารถรักษาไห้ได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาที่ไม่ต้องไปฟังเทศสังธรรมอีต่อไปเพราะจะมีธรรมอยู่ภายในใจหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาจนสามารถนำเอาธรรมนี้ไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาหรือวาหาปุลาปาลิปุเรติสะกะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหงังคีปเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนา a ะโสยธามิโชติอาโสยธัสพีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวา อาทิวาธนสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวันฐิอายุวันโอสุขังภาละ ใน ล, ลำดับต่อไปนี้ก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินเสียงปัญหาด้วยขอเชิญถามได้ค่ะก็ก็กที่ที่ผ่านมาที่ได้มาลองเป็ีเวิเวกอยู่ที่วดัดนะคะแล้วก็ ลองผ่อนาหารดูเพื่อเพื่อคือคือหลังจากที่ปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยหนูก็กลับไปพิจารณาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจแล้วก็เป็นการทบทวนกับที่ได้ฟังเทศมาก็ก็มีหลายอย่างที่ที่ตรงกับที่ท่านพูดหนูก็ เหมือนจะมาเล่ายืนยนาาันนะคะคือว่าเรื่องการผ่อนอาหารเนี่ยหนูคิดว่าไม่ได้เป็นการทรมานตัวเองเลยคือถ้าเราถ้าเราผ่อนอะถ้าเราอดอาหารโดยที่เราไม่ได้ภาวนามันก็เหมือนขอขอทานเหมือนเปรตนะคะคือมันหิวทุรนทุรายแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีสติระมาระวังความคิดนะคะไม่ให้คิดถึงอาหาร คือถ้าเราไม่มีไม่มีสติคิดถึงอาหารสักพักก็จะเกิดความอยากกินแล้วก็เกิดความทุรนทุรายมันดีบคัน้นจิตใจพอเราใช้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเนี่ยยึดมันไว้เนี่ยมันก็มันก็จะดึงกันแล้วมันก็เหนื่อยสักพักมันก็คลายพอหยุดคิดถึงอาหารได้แต่ถ้าเราจเจริญอสุภะเรานึกถึงอาหารที่หน้าตาสวยงามอ ร, อร่อยแต่พอออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมด ก็ไม่รู้สึกังเกียรอาหารเพียงกับความน่ากินมันหมดไปแล้วมันก็ตัดความอยากได้อย่างรวดเร็วมันตัดชนิดที่ว่าความรู้สึกทุรนทุรายมันหายไปพอพอมันตัดขาดไปเนี่ยมองพิจารณาดูในร่างกายไม่รู้ว่าอะไรมันหิวมันเหมือนปกติดีทุกอย่างมันสบายทั้งกายสบายทั้งใจมันโปร่งโล่งสบาย ก็เลยคิดว่าความหิวเนี่ยมันไม่ใช่ความหิวของร่างกายเพราะว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยขณะที่ยืนอยู่เนี่ยหน้ามืดหูอื้อเหมือนจะเป็นลมแต่ใจเนี่ยไม่ได้มีความอยากกินหรือทุรนทุรายอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าก็คือมีสติอยู่ตลอดรู้ว่าเรากําลังจะเป็นลมก็ลงนั่ง เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องไปหาอะไรกินจะรู้สึกว่าต้องเดินอย่างระมัดระวังให้ถึงห้องระหว่งางพนั่งพักแล้วหายหน้ามืดก็เดินเป็นระยะก็มีหน้ามืดสลับเป็นระยะสักพักก็ก็หายเป็นปกติค่ะหนูก็เลยเพิจแรณาไปถึงว่าอมีความทุกข์อีกอันหนึงที่เคยเกิดขึ้นไปเทียบเคียงกันคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยปั่นจักรยานกับลูกแล้วจักรยานลม้มแทนจักรยานกระแทก ท้องแล้วมันสวดมากหนูก็สัญญาเดิมที่เคยเรียนมาคือว่าเราอาจจะตัดอ่อนพังแล้วก็น้ําย่อยมันออกมาทําลายลำไส้เราแล้วเราต้องไปผ่าตัดแล้วเราจะผ่าตัดกับใครดีแล้วแผลเราจะสวยไหมพอคิดไปคิดมาเอาแค่แผลสวยเหรอตายได้เลยนะพอถึงตายปุ๊บหนูว่างหนูเห็นว่าหนูว่างหนูรู้สึกว่าเกิดแค่นี้มัน ไม่เที่ยกับความตายมันคนละเรื่องกันเลยหนูไม่สนใจไปยุ่งอะไรกับความเจ็บไม่ต้องหายเจ็บก็ได้แต่พี่เจณานะอย่างนี้แล้วใจโล่งแต่ความเจ็บร่างกายเนี่ยความเจ็บที่ท้องนี่มันยังอยู่แต่ใจก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยวางมันปล่อยวางมันจนกระทั่งความเจ็บมันหายไปเองหนูก็เลยคิดว่าความเจ็บที่เกิดขึ้นจากล้มจกยานลมเนี่ยมันเป็นทุกข์ในขัน มันเป็นใจรักเราวางมันเราวางมันแล้วเราสุขใจแต่ความเร็จนั้นเราแก้ไขอะไรไม่ได้มันต้องดับไปเองไม่เหมือนความหิวที่มันอยู่ในกลยเราใช้สติปัญญาดับมันมันก็ดับไปเลยคำถามก็เลยมีว่าหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เ อ, อสัพเพ昙มาอนัตตาเนี่ยทุกในฐา น, นยหนูเข้าใจว่าเป็นอนัตตา แต่ทุกที่เกิดจากความอยากที่อยู่ในอริยสัจสีนี่เป็นเป็นไตรักไหมคะทุกที่เกิดจากความอยากมันก็เป็นอริ ย, ยสัจสีก็คือเป็นทุกข์ในใจไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากส่วนทุกข์ในร่างกายนี้ก็เป็นไตรัก เพราะว่ามันเป็นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นเองมันคนละอย่างกันคือจะว่าทุกข์มันเป็นตายรัก็ได้เพราะมันมีเกิดมีดับเช่นทุกข์ใจมันก็มีเกิดได้แล้วก็มีดับได้เพียงแต่ว่าทุกข์ใจนี่เราสั่งให้มันดับได้เพราะเรารู้ต้นเหตุของความทุกข์ใจ คือความอยากเช่นเราอดอาหารแล้วใจเราทุกข์กับความอยากรับประทานอาหารพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ภายในใจก็หายไปก็เหลือแต่ความทุกข์ภายในร่างกายที่ขาดอาหารความทุกข์ภายในร่างกายนี้เราสั่งให้มันหายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาแต่ความทุกข์ภายในใจนี้ไม่ได้เป็นอนัตตา เป็นความทุกข์ที่เราสั่งให้หายได้เพราะมันมีเหตุเหตุก็เกิดจากความอยากเกิดจากความหลงแต่นั้นเองนั้นที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อดับความทุกข์ทางใจเพราะเราดับได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เราไปดับไม่ได้เราไปสั่งให้เขา อ, อยู่อย่างท้าวอนไม่ได้เขาจะดับไปเมื่อไหรเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ไม่ให้ทุกไปกับเขาได้งนั้นที่เราพิจารณาความความเป็นายรักของเขาเพเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเขานั้นเองเพราะเราไปทำอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ความอยากเปลี่ยนเขานี่แหละที่ทำให้เราทุกข์ ถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องอย่าไปอยากเปลี่ยนเขาอยากไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปต่อเปล่าถึงต้องเห็นตายรักในสิ่งต่างๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นตายรักใน <c oughs> ในอริยสัจสี่ในอริยาาสัจสี่นี้ให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยาก ต้องหยุดความอยากไม่ได้ความอยากกับอะไรก็ต้องไปคิดเช่นากับเรื่องนั้นอยากกับอาหารก็ต้องไปคิดเช่าให้หยุดความอยากได้าการอยากอาหารเพราะติด ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารในส่วนที่สวยงามแต่พอไปเห็น ส่วนที่ไม่สวยงามของอาหารเช่นเวลาอาเจียนออกมานี่ความอยากรับประทานอาหารก็ไม่เกิดดังนั้นเวลาเกิดความอยากแล้รับประทานอาหารแล้วเราต้องการหยุดมันเราก็ต้องนึกถึงส่วนของอาหารที่มันไม่น่ารับประทานเช่นอาเจียนที่เราอาเจียนออกมาตอนนึกถึงเห็นถึงอาเจียนของอาหารที่อาเจียนออกมา ความอยากแับประทานอาหารก็จะหายไปความทุกข์ทุรนทุรายกับความอยากนี้ก็จะหายไปดังนั้นต้องแยกแยว่ามันมีสองส่วนส่วนที่อยู่ในใจเราและส่วนที่อยู่นอกใจใจเราไปยุ่งกับเขาเองไปหลงกับเขาเองเราต้องใช้ปัญญาใช้ความจริงมามาขี้คลายความหลง ไม่ให้ไปยุ่งกับเขาไม่ให้ไปอยากกับเขาถ้าเราเห็นไตรักเห็นอ ส, สุภะเห็นอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาเราก็จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆได้ถ้าเรายุ่งกับเรื่องอาหารอยากกับเรื่องอาหารเราก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาก็คือดูความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าเราไปยุ่งกับร่างกายของผู้อื่น รักความสวยความงามของร่างกายของผู้อื่นเราก็ต้องพิจารณาอสุภะให้เห็นความไม่สวยไม่งามในร่างกายของเขาแล้วมันก็จะทำให้เร า, ายุติการไปยุ่งไปอยากกับเขานั่นเองถ้าเราไปอยากให้คนอื่นเขาอยู่ไปนานๆดีกับเราไปนานๆเราก็ต้องพิจารณาใส่รัก พจรณาว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปสั่งได้เป็นอนาสตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปมีความอยากกับเขานั่นเองพอเราไม่มีความอยากกับเขาแล้วความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะไม่มีนี่คือการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยาก ความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นตายรักไม่เห็นอาหารเลยปฏิกรุสัญญาไม่เห็นอสุภะนี้เองเราจึงต้องเจริญความรู้เหล่านี้ให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องภายในใจของเราถ้าทุกครั้งเราเห็นอาหารเลยปฏิกรุสัญญาเราจะไม่มีความหิวกับอาหารถ้าเราเห็นอสุภะในร่างกายของคนที่เราหลงไหลข้างไคร เราก็จะไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาถ้าเราเห็นเขาเป็นไตรลักษณ์เห็นเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเห็นเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราวันหนึ่งเขากับเราต้องไปคนละทิศคนละทางกันเราก็จะปล่อยวางเขาได้ไม่ไปยุ่งกับเขาได้ไม่ไปอยากกับเขาได้พอเราไม่ไปอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาต่อไป เป้าหมายของเราก็คือหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราส่วนเราไม่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงใครทั้งนั้นไม่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเพราะของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเราไปมองในส่วนที่ทําให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเราต้องมองในส่วนที่ทําให้ไม่เกิดตัณหาความอยาก ก็คือต้องเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเห็นอนสุภะไม่สวยไม่งามเห็นอาหาเลเห็นความมันสกรปรกของอาหารเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วนี่พอขับถ่ายออกมาไม่ว่าจะทางปากหรือทางทวารหนักมันก็เป็นสิ่งที่สกรปรกไปแล้ว น, นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามให้เห็นอยู่เรื่อย ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวก่อกวนความก่อกวนจิตใจสร้างความทุกข์ของเราไม่รู้จักจบจากเส้นทันทีนี่คือคำตอบมีอีกไหมคำถามอีกคำถามัมามนึ็ง เ, เพื่อนฝากถามา่ะคะ <c oughs> คือหนูก็ไม่ได้ยินได้ฟังมาเองนะคะเขาฝากถามมาว่า มีบางแห่งเขาถือพระวินัยแค่ร้อยห้าสิบข้อสวนปาฏิโมฯแค่ร้อยห้าสิบข้อค่ะก็เรื่องของเขาเขาจะถือกี่ข้อมันก็เรื่องของเขาพระอาจารย์ครับเมื่อวานระหว่างพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ครับมีผู้ปกครองของเด็กนะครับอ่ เขาบอกผมว่าลูกเขาอยู่นมมากเลยไม่มีนมกินนะครับผมก็เลยเดินไปหานมที่รถก็ไม่เจอก็เลยกลับมาดูที่ที่เก็บคลังของพระพิจูเนี่ยครับแล้วดีผมเห็นเข้าไปแล้วผมเห็นนมที่เป็นนมถั่วเหลืองที่วางแยกไว้ต่างหากกับเครื่องดื่มเนี่ยผมก็หาพระไม่เจอเลยไม่รู้จะขออนุญาตใครจะถามใครผมก็เลยด้วยความสงสารเด็กผมก็เลยหยิบออกมาก่อนโดยคิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อมาใช้คืน ไม่ว่าจะเป็นของของพระหรือของโยมก็าตามนี้นะครับอย่างนี้ยังไม่ได้บอกใครถือว่าเป็นรักขโมยไหมครับพระอาจารย์ถ้าแปลตามหลักศร์มันก็เอาของที่เขาแม่อนุญยยาตไปแต่ถ้ามองเจตนาก็อาจจะพอที่จะให้อภัยได้เพราะความเมตตาสงสารเช่นบางทีแม่เนียสงสารลูกถึงกับยอมไปขโมยนมในร้านแล้วก็ถูกเขาจับ ก็ยอมติดทุกติดตารางแต่ทำเพราะความรักความสงสารลูกอันนี้แต่เรื่องของความผิดก็ต้องยอมรับว่ามันผิดถ้าทางที่ดีก็ถามผู้ที่เขาเป็นเจ้าของก่อนเราจะได้ไม่ทำในสิ่งที่ผิดแต่บางทีเราไม่เคยฝึกอุบเบกขากันพอเกิดความเมตตามากๆอุบเบกขาก็เลย ไม่สามารถหยุดความเมตตาได้ความเมตาามเมตาถ้ามันเกินขอบเขตมันก็เป็นโทษได้กับเราเองเช่นเราเมตตาเราก็ไปเอาของของผู้อื่นมาถ้าผู้อื่นเขาโกรธเขาอาจจะมาตีศีรษะเราก็ได้เราก็ต้องเจ็บตัวอย่างนี้แสดงว่าคือมาใช้คืนได้ไหมครับอาจารย์ <c oughs> คือความผิดนี้มันมันมันแก้ไม่ได้แล้วมันผิดศีดแลแต่ลแต่ซื้อได้ซื้อมาก็จะชดใช้ชดเชยสิ่งที่เสียไปแต่สิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวงังครั้งต่อไปก็คือว่าเราต้องชั่งน้ำหนักระวงังศีลกับความเมตตาว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากัน ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง f a c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติบิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับข้อแรกจากคุณชุติมานะครับการตอบแทนพระคุณแม่เหลือแม่คนเดียวเจ้าค่ะพาไปทำบุญชวนสวดมนต์นึกพุทโธเรียกได้ว่าตอบแทนคุณแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตอบแทนได้บางส่วน พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าการจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้อย่างหมดสิ้นเลยได้อย่างเต็มที่เลยก็คือต้องทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันให้ได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วสอนพระราชบิดาให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณได้ อย่างหมดเลยแต่ถ้าเพียงแต่พาท่านไปทำบุญพาท่านไปภาวนาอันนี้ก็เป็นการทำได้บางส่วนแต่ถ้าท่านบรรลุเป็นโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนีย่ยก็ถือว่าไ ด, ได้ได้ทดแทนบุญกุนจนหมดเส้นคำถามข้อต่อไปจากคุณสมศรีนะครับ โยมใช้ชีวิตประจําวันในการปฏิบัติธรรมมีสติตามดูใจดูกายทันบ้างไม่ทันบ้างอารมณ์ที่ชอบที่ไม่ชอบกระทบทั้งวันบางทีก็สติแตกตามไม่ทันในช่วงวันหยุดไม่มีภาระก็ใช้บ้านเป็นวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่บ้านมีวันหนึ่งนั่งซักผ้าอยู่มือซักผ้าใจก็จดจอ่อซ้ําๆอยู่กับมือที่ซักจนระยะหนึ่งใจมันนิ่ง ไม่ไปไหนเลยไม่คิดอะไรเลยสมองมันเริ่มโล่งรู้สึกใจมีความสุขมันเบาใจอิ่มๆในใจก็ เ, เป็นอยู่อย่างนั้นสักพักก็มีความคิดผุดขึ้นมาในใจจะเอาอะไรมากมายไม่เห็นมีอะไรอยากได้อะไรอีกลองคิดดูมีอะไรถาวรมั่งใจมันยอมรับความจริงมือก็ยังสักผ้าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงทำอยู่อย่างไปตามปกติ เห็นได้ยินเสียงรอบข้างรอบตัวปกติรู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ใจมันเฉยๆกับสิ่งรอบตัวมันจืดชืดกับสิ่งรอบตัวรู้สึกเหมือนสิ่งที่เข้ามากระทบมันอยู่ข้างนอกมันไม่ถึงใจข้างในสักผ้าเสร็จก็ทํางานบ้านนู่นนี่อยู่คนเดียวเงียบๆทั้งวันอาการที่ว่าสิ่งข้างนอกไม่เข้าไปกระทบให้ใจข้างในมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เป็นวัน ก็สังเกต <S qui> อาการนี้อยู่ถามตัวเองเราเป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนี้อาการนี้มันเกิดขึ้นเองก็ดูมันจะอยู่ต่อๆมามันก็คลายออกและกลับมารู้สึกเหมือนปกติเหมือนเดิมอยากกลับเรียนถามว่ามันเป็นอาการของอะไรเราต้องปฏิบัติอย่างไรกับอาการนี้ก็เรียกว่าเจ็บเข้าสู่ความสงบเจ็บปล่อยวางเซงต่างๆได้ไปนูเบกขา ก็คนที่จะทำต่อไปรักษาให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคาถามข้อต่อไปจากคุณอุนะครับสติกับสมาธิแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดในการนั่งสมาธิแต่ไม่มีสติจะแก้ไขอย่างไรให้มีสติมากๆเวลานั่งสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล ถ้ามีสติก็จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาคือเกิดความสงบความสงบนี้เราเรียกว่าสมาธิจิตหยุดคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี่เรียกว่าสมาธิการที่จะเกิดสติดได้ก็คือต้องระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป เชจะระลึกถึงพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาก็ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจควบคู่กับการกระทาการงานต่างๆไปเวลาใดที่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวพอเวลาไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ให้พุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อคิดเื่อยเปื่อย เพราะจะทำให้ใจไม่สงบใจไม่มีสตินี่คือวิธีจเจริญสติถ้าเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสติอยากจะได้สมาธิเราก็ต้องฝึกฝนจิตใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือเข้าดูจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวก็ได้ให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาไม่ให้วัดไปที่อื่นอย่างนี้ใจก็จะมีสติและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ได้สมาธิขึ้นมาคําถามข้อต่อไปจากคุณเจเจบางนานะครับ ปกติเคยใช้การแยกดินน้ำลมไฟหลังทำสมาธิแต่เจอการจัดหนักแยกร่างแบบที่ส่งภาพมาดูหนักมากคะ่ะสำหรับคนที่พึ่งได้ขนลุกน้ำตาไหลในสมาธิแต่ขอบคุณนะคะที่จัดของจริงให้ดูให้รู้ต้องรู้เรื่องสังขารแม้ว่าจะบริจาคร่างกายแล้วหลังเสียชีวิตขอคำแนะนำนะคะการวางแบบสงบไม่คิดมากของพุทธของแท้ เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอันนี้เป็นคำถามเลยเป็นคำพูดเหมือนกับว่าคำถามขอคำแนะนำว่าเกี่ยวกับการวางแบบสงบไม่คิดมากของพุท ธ, ธของแท้เพื่อเรียนรู้ครับอาจารย์วางอะไรวางร่างกายหรือวางอะไรก็ไม่ได้บอกน่าจะเป็นสังขารครับอาจารย์สังขารก็คือร่างกายใช่ไหย ร่างกายเราก็ต้องพิจารณาเขาวา่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาไม่ใช่ตัวเราของเราเขาเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเห็นชัดเจนแล้วก็จะปล่อยได้ก็จะไม่ไปทุกข์กับเขายอมรับความจริงของเขาได้คำถามจากท่านเดียวกันนะครับปฏิบัติที่บ้านโดยกราบเชิญพ่อแม่ครูอาจารย์มาคุ้มครองสั่งสอน โดยกาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่สูงสุดและฟังธรรมจากคอมสังเกตตัวเองว่าระหว่างทําสมาธิสงบเป็นสุขใจอยากนั่งนานๆแต่เมื่อลาสมาธิจะมีความร้อนมากระทบร้อนเหนือออกให้รู้สึกขอคำแนะนำค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาที่ร่างกายก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็มีวิธีสงวิธีก็คือ อย่าไปสนใจกับความร้อนกับความเจ็บของร่างกายให้บริกรรมต่อไปให้เจริญสติต่อไปเช่นถ้าเราใช้พุโทโธก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธให้มันถี่ขึ้นอย่าให้มันมีช่องไปแวบคิดถึงความเจ็บความร้อนของร่างกายถ้าใจไม่ไปวุ่นวายไปกับความร้อนของร่างกายใจปล่อยวางได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ อีกวิธีหนึ่งถ้าเรามีความสงบมีเป็นฐานอยู่แล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาความร้อนว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเกิดเขาจะดับก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาหายไปใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะอยู่กับเขาได้เขาจะร้อนอย่างไรก็ปล่อยเขาร้อนไปอันนี้คือปัญญา ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเขาเป็นตายรักเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปขณะที่เขายังไม่ดับก็เขาก็เป็นอนัตตาคือไปสั่งเขาไม่ได้ไปไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาปรากฏขึ้นไปตามเรื่องของเขาเรารูเฉยๆก็พอสัตว์แต่ว่ารู้อย่าไปอยากเท่านั้นถ้าเราไม่เกิดความอยากแล้วใจของเราจะไม่วุ่นใจของเราจะไม่เครียดใจของเราจะไม่ทุกข์ ใจของเราจะสบายอยู่กับเขาได้ก็มีสองวิธีในการปฏิบัติกับความเจ็บของทางร่างกายคำถามข้อต่อไปจากคุณแมวน้อยนะครับหนูมาฟังพระอาจารย์เทศที่บนเขาเป็นประจำได้สักพักหนึ่งแล้วหนูขับรถมาจากกรุงเทพคะ่ะโดยแอบพ่อแม่มาแต่พอมาหลังๆ ห, หนูไม่อยากปิดบังพ่อหนูเลยบอกพ่อและที่บ้านว่า จะขับรถมาวัดยานแต่กับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะทางบ้านเป็นห่วงไม่อยากให้ขับรถมาทั้งๆ ท, ท, ที่หนูก็โตแล้วอีกอย่างคือครอบครัวหนูไม่มีศรัทธาในทางนี้ด้วยค่ะหนูพยายามอธิบายด้วยเหตุผลแต่ทางบ้านก็ไม่เข้าใจหนูจึงเลือกที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของทางบ้านซึ่งคือหนูทำให้พ่อแม่ที่บ้านเสียใจมากหนูไม่สามารถทาบ้านให้เป็นวัด ตามที่พระอาจารย์บอกเนื่องจากที่บ้านมีคนอยู่กันเยอะและครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําความปรารถนาของของพ่อพ่ออยากจะให้อยู่เป็นกษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิแต่พระพุทธเจ้าอยากจะเป็นนัก บ, บวช พระพุทธเจ้าก็ต้องทําในสิ่งที่ท่านทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือมันก็ถูกต้องทั้งสองทางแต่ถ้ามาชั่งน้ําหนักแล้วทางของพระเจ้านี้มันมันดีกว่ามีคุณประโยชน์มากกว่าทางของพ่อเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เป็นของเราเราต้องเป็นผู้เลือกเดินทางเราเองแต่ถ้าทางที่เราไปนี้เป็นทางที่ดีกว่าทางที่พ่อแม่อยากให้เราไปก็ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นทางที่ไม่ดีกว่าพ่อแม่ให้อยากให้เราไปเช่นเราไปเป็นโสเพณีไปทำงานตามผับตามบาร์อ้อย่างนี้เราก็ไม่ควรไปเราไม่ควรจะดูว่าเป็นทางของพ่อแม่หรือทางของใครเราต้องดูว่าเป็นทางที่ถูกที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเราหรือไม่เป็นหลัก ถ้าไม่เช่นั้นเราจะไม่สามารถที่จะเดินไปสู่ทางที่ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเดินไปได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตัดสินพระไถยเดินไปตามทางที่พระองค์ทรงพิจารณาไว้เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พวกเราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่องอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ ทังนั้นเราต้องตัดสินใจบ น, นหลักของเหตุผลชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างทางนี้กับทางนั้นทางไหนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเรามากกว่าเราก็ต้องเลือกไปทางนั้นคำถามหมดแล้วครับอาจารย์มีอะไรถามอีกหครับข้างนนี้ก็ยอยากจะถามไหมอ่า หลวงพ้อเจ้าคะวันก่อนอ่านไม่ใช่อ่านค่ะฟังเทพท่านนะคะหลวงพ่อเทพบอกว่า เ, าเราต้องถือศีลห้าอย่างสมบูรณ์ถึงถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อี ก, อ ก, อกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ก็เลยมีคำถามว่าอาแล้วคนที่ถือไม่สมบูรณ์นี่ต้องไปอบายก่อนหรอเจ้าคะใช่ต้องไปใช้การมก่อนไป แล้วที่หลวงพ่อเคยเทศไว้อ่ะคะ่ะว่าเวลาจิตก่อนตายก็คือว่าบุญบาปต้องมามาหักลบเป็นก่อนแล้วค่อยจะรู้ที่ไปเจ้าค่ ะ, ะ, ะเราดูในปัจจุบันเนี่ยพราเราสามารถถักล้มได้ในปัจจุบันไหมสถานภาพจิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรมันก็เป็นผลของบุญกับบาปได้หักลบกันอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเราเศร้าหมองวุ่นวายทุกข์นี้ก็แสดงว่าจิตเรา ไม่ดีถ้าจิตเราสงบไม่วุ่นวายอันนี้แสดงว่าจิตเราดีโดยอีกวิธีนึงก็สังเกตได้ก็คือเวลาเรานอนหลับเราฝันความฝันของเราที่บางทีมันก็จะบ่งบอกว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราไปทางอบายถ้าเราฝันดีอยู่เรื่อยๆ เ, เราแสดงว่าเราจะไปทางทางสวรรค์ เพราะว่าในในคนที่ที่ถือศีลเนี่ยถ้าเขาศีลห้าเอ่อสมบูรณ์ทางใจนะคะหมายความว่าจิตใจสมบูรณ์ด้วยก็แปลว่าเขาก็ต้องไปดีแน่นอนเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดเราที่เห็นกันก็คือว่าคนส่วนใหญ่ถือศีลห้าทางกายได้แต่ว่าทางใจยังไม่สมบูรณ์เจ้าค่ะอย่างนี้ยังต้องปราบายก่อนเนี่ยเจ้าค่ะไม่ยังคิดยังคิดจะทำบาปอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทําใช่ไหมใช่เค่ะก็ <c oughs> ความคิดนี้มันก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการถือว่าเป็นบาปแต่มันเป็นอกุศลที่มัน ล, ล่อแหลงต่อการจะกระทําบาปได้ถ้าเกิดเราพลัง้งเผลอสติไม่มีกําลังพอก็อาจจะทําให้เราไปทําบาปได้แต่ถ้าเรายังไม่ทําก็ยังถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราคิดเราก็ควรจะหาวิธีหยุดความคิดนั่นเสีย คือเราควรจะใช้ฮีริโอตปะฮิริก็คือความอายในการกระทำบาหรือคิดจะกระทำบาปโอตปะก็ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาที่เกิดจากการทำบาปถ้าเรามีฮิริโอตปะเราก็จะระ ง, งับความคิดในเรื่องของการทำบาปได้ แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการศีลการพูดเจ้าคะ่ะว่ามันจะมีการพูดเล่นหรือว่าพูดวิจาร์ซึ่งไปนในทางอากุศลเจ้าคะ่ะก็ทำให้เราถือศีลห้านี้ไม่สมบูรณ์เจ้าคะ่ะรวมจริงศีลห้านี้ท่านก็ให้ถือตรงคำว่าการการพูดปลดเท่านั้นเองท่านยังไม่ได้ให้ละเอียดไปเลยกับการพูดเพ้อเจ้าพูดส่อเสียนหรือพูดคาหยาบ อันนี้สำหรับผู้ที่ถือสีแปดผู้ที่ต้องการจะควบกลุ่มจิตใจให้สงบต้องระงรับคำพูดเหล่านั้นถ้ายังอยู่ในระลับสีหานี้ท่านก็เพียงแต่ให้พูดไม่ให้พูดปลดเท่านั้นถ้าอยากจะพูด เ, รเ็รจะยังไม่ถือว่าผิดกีนห้าเจ้าค่ะแสดงว่าเราก็ควรจะถือสีหานี่จริงๆให้สมบูรณ์ แล้วเราค่อยถือศีลแปดใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็เหมือนกับต้องเรียนตอนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นปสองใช่ไหมโอข้ามขั้นไม่ได้เจ้าคะ่ะตระบุคคลเจ้าค่ะแต่ว่ายังถือศีลแปดไม่ได้พระอาจารย์ครับหลังจากช่างใจอยู่แล้วเนี่ยระหว่างความเมตตากับศีลผมว่าไม่กลุ้มเลยครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าหลงเลยครับ <c oughs> ความจริงถ้าเกิดไม่ติดรถเยอะยอมขับรถลงไปซื้อให้เขาถ้าดีกว่าครับอาจารย์ก็มาถามเราก็ได้เราก็อยู่ที่นี่ม า, มาขออนุญาตจากเราก็ได้ว่าเราก็เป็นตัวแทนของสงฆ์เพราะว่าทำบาปมันไม่มีข้อยกเว้นทั้งนั้นว่าทำด้วยเหตุผลกลไกใด อาจารย์ครับเมื่อช่วงวันธรรมดาที่ผ่านมาได้ขึ้นมาสนทนากับพระอาจารย์แต่เสียดายที่ไม่ได้อบันทึกเสียงนะครับพระอาจารย์อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งเรื่องจิตดวงสุดท้ายครับพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ตายอีกครั้งได้ไหมครับมาถึงเวลาเวลาคนจะตายนี่ใช่ครับบางบางคนที่มีความเชื่อที่ว่าจิตดวงสุดท้ายนึกไปดีก็จะไปดีนึกไปนิพพานก็จะไปนิพพานนึกไปลายก็จะไปลายครับอาจารย์อ ก็เวลาที่มีชีวิตอยู่สุขสบายอยู่ยังนึกไปนิพพานไม่ได้แล้วเวลากล้จะตายมันจะนึกไปได้อย่างไรเช่นจิตสุดท้ายนั้นเราก็เปรียบเทียบให้ฟรรังว่าลองใครโยน ง, งูใส่ใข้างหน้าเราดูสิว่าจิตสุดท้ายเราจะเป็นยังไงะเราจะไปคิดถึงนิพพานตอนนั้นได้าเวลาเวลาใครก็โยน ง, งูมาใส่ใข้างหน้าเราเนี่ยบันจิตของเราเป็นยังไงมันก็จะคิดไปอย่างนั้น ถ้าจะคิดค่าก็ค่ามันเลยใช่ฮะท่าจะคิดถ้าจะกิดนั่งเฉยๆมก็นั่งเฉยๆอันนี้มันอยู่ที่การฝึกมาก่อนถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาเจอเหตุการณ์จริงเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมใจได้ถ้าเราต้องการให้ใจสงบนิ่งปล่อยวางเราก็ต้องฝึกเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาโดยเรือร่อยๆพอถึงเวลาที่เราจะต้องเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็จะสามารถ รักษาจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยวันวันห น, นึ่งปล่อยให้จิตคิดไปื่อยเปื่อยให้มีไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆแล้วพอถึงเหตุการณ์นั้นเราจะไปควบคุมใจไว้ได้อย่ใจมันก็ต้องมีปฏิกิริยาไปตามตามสถานภาพของมันมันตื่นตนกมันก็จะตื่นตนกมันจะกลัวมันก็จะกลัว ถึงเวลานั้นมันมันต้องเป็นไปโดยตามธรรมชาติของมันจะมาสั่งให้คิดว่าเอ้ยอยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวอย่างนี้มันสั่งไม่ได้มันสั่งได้แต่มันมันห้ามไม่ได้สั่งแต่มันไม่ฟังเรารฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมไว้ก่อนที่มันจะถึงเวลานั้นอย่าเราต้องฝุดตายไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราฝึกตายเป็น พอถึงเวลาตายจริงเราก็จะได้ตายอย่างสงบได้แล้วที่ไปครับระหว่างไปดีและไปไม่ดีนะครับมีอะไรเป็นตัววัดครับอาจารย์ก็สงบหรือไม่สงบไงถ้าใจสงบก็ไปดีสงบมันก็มีหลายระดับสงบระดับเทพสงบระดับพรมสงบระดับพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็อยู่ที่ความสงบของใจเนี่ยส่วนความไม่สงบก็คือความตื่นเต้นตกใจ หวาดภาวะหวาดกลัวเนี่ยมันก็เกิดมันก็จะพาให้ไปอบายยั้นเราต้องฝึกทําทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทําให้ใจของเราสงบแล้วพอเราเจอเหตุการณ์ที่จะมาทําให้ใจเราไม่สงบเราก็จะมีเครื่องมือที่จะป้องกันที่จะรักษาความสงบนี้ไว้ได้เพราะเรารู้จักวิธีรักษาเหมัน แต่เราไม่รู้จักวิธีพอเกิดเหตุการณ์ทําให้ใจตื่นตระหนกขึ้นมาเราก็จะหยุดมันไม่ได้ดังั้นเราต้องฝึกซ้อมให้ก่อนเหมือนกับนักเรียนต้องทําการบ้านก่อนพอเวลาเข้าห้องสอบจะได้ทําข้อสอบได้ถ้าไม่ทำํำไม่ทําการบ้านเวลาเข้าห้องสอบก็จะไม่สามารถทําข้อสอบได้ก็จะต้องสอบตก มันเป็นมันก็เหมือนกันค่ะใจของเราก็ต้องมีการซ้อมไว้ก่อนเหมือนเราเล่นละครก่อนที่เราจะเล่นละครเราก็ต้องซ้อมบทต่างๆไว้ก่อนพอขึ้นไปเล่นเราก็เล่นไปตามบทที่เราซ้อมกันมาได้เลยถ้าไม่ซ้อมพอขึ้นไปเดี๋ยวก็เล่นผิดเล่นถูกละครก็จะกลายเป็นเออ อะไรที่คนดูแล้วไม่เข้าใจได้ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมาสั่งในวาระสุดท้ายได้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมใจไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีเชียกับคู่ต่อสู้ก็ต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกซ้อมขึ้นไปเดี๋ยวก็โดนเขาเนอกเก่าไม่ทันไม่ทันกี่นาทีก็โดนเขาเนอกแล้ว แต่ถ้าเราฝึกซอ้อมไว้เราก็จะนอบคู่ต่อสู้เราได้นี่ก็คือเรื่องของจิตสุดท้ายเราต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ต้องสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้ว เ, เราจะทําตัวอย่างไรเวลาที่เราเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอันนี้เป็นการซอร้อมไว้ก่อน เมื่อเราซ้อมจนมีความมั่นใจว่าเราทำได้เราก็ไปหาสนามสอบดูไปหาสถานที่มันน่ากลัวที่ท้าทายต่อความเป็นความตายดูเราดูว่าเราจะรักษาความสงบของใจอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้หรือเปล่าพอไปอยู่ในป่าช้านี่พอเริ่มมืดลงมานี่ใจเราเป็นยังไงยังรักษาให้มันเป็นเหมือนกับตอนที่มันไม่มืดได้หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ต้องทสดสอบดูเราถึงจะรู้จริงว่าาจของเรานี้วาระสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าอ้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาก็ให้คิดคิดแต่เรื่องคิดดีเรื่องที่งามมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นไปไม่ได้เวลาใจมีอารมณ์ขุนมัวนี่จะไปให้มันคิดในเรื่องที่ดีไม่ได้ เราต้องรักษาใจไม่ให้มีอารมณ์ขุนมัวมันถึงจะคิดถึงเรื่องที่ดีได้วิธีที่รักษาใจให้ไม่ขุนมัวก็ต้องมีการทำทานมีการรักษาสิงมีการภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองแสดงว่าถ้าเกิดผู้ที่ประพฤติไม่ดีมีมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแม้แต่ช่วงเวลาจะตายเนี่ยคิดดีนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือมีพระมาะสวดให้เนี่ยก็ไม่สามารถไปทางที่ดีได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ก็อาจจะมีกรณีพิเศษอย่า ง, อ, างองคุริมาเนี่ยเรว่าเป็นมหาโจร เ, เป็นผู้ร้ายร้ายกาจก็ได้ฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสบเก้าคนแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็สามารถเปลี่ยนใจได้พลิกใจจากการเป็นคนโหดร้ายทารุณกลายเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาได้แต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษ ไม่ใช่จะเป็นกับทุกๆคนถ้าเป็นด้านพวกเราก็ไม่ต้องมานั่งหนังขนหนังแข็งมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิกันไปเที่ยวอย่างคุณต่อเที่ยวนี่ไม่ดีกว่าเพราถึงเวลาสุดท้ายก็สั่งไปไม่พานเลยกดปุ่มนม่ผานเลยหมดแล้วใช่ไหม มีใครอยากจะถามอักไงตอนไม่มีก็จะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน แสดงว่าเขาขารักของสมัย